นัตถิแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสมภลังแรงผมจะยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์ลีโลกเสมอด้วยแรงกรรม ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าซึ่งประกอบด้วยบุญและวาสนาสั่งสอนอบรมการเผยแผ่ปฏิบัติธรรมของท่าน นำหมู่คณะออกเผยแผ่ 31 มกราคมพุทธศักราช 2449 ที่หมู่บ้านชื่อบ้านหนองสองห้องหมู่บ้าน 30 จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านคือหมู่บ้านน้อยมีบ้านเรือนรวมกันได้ 80 มีอุโบสถร้างอยู่ 2 แห่งเป็นร่องรอยความเจริญชาลีท่านเป็นบุตรของนายเปล่านางภ้วยนามสกุลนารีวงศ์ปู่ชื่อคน เป็นผู้ชาย 5 ผู้หญิง 4 ท่านเกิดมาได้ 9 วันก็มีอาการรบกวนพ่อแม่ 11 ปี ก็ยังมีน้องเล็กๆคนนึงๆเค้าโตแล้วต่างก็พากันไป 12 ปีก็ได้เรียนหนังสือไทยพอ 19 20 ปีใน รู้สึกในตั้งแต่เกิดมาจนอายุถึงบุญ 20 ปีเคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายครั้งเดียวคือ พระเราจะแก้บาปครั้งนี้โดยวิธีไหนลีได้ถ่ายใจก็ดีขึ้นแต่วันนี้สายใจคอระหว่างนั้นก็นึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะบวดการ ถึงเวลาเทศกาลบวชนาค 15 ค่ํา 6 มีเพื่อน 9 องค์ระหว่างเพราะว่ารู้สึกรังเกียดมากบวชอยู่ เมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็ปีป่าช้าไม่เคย เพราะซากศพนับแสนที่ตายลงใน ยมผู้ชายของพระอาจารย์ลีได้ 30 ม่วงไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีเดิน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 เป็นนิกายธรรมยุตอุปสมบทแล้ว 1 เปวันก็ได้ ดังนั้นพอถึงฤดูการไหว้ผีปู่ตาชาวบ้านก็ต้อง กลัวจะไม่เกิดอากัวจะได้เขียน ได้อยู่จำมรสาที่วัสส์ประธุมณ์, กุ guckenที่พักอยู่ห่างใกล้จากกุELL ของพ decent ท่ะอุปชาเมื่อย่างเขาหรืดูแรงหล้องจึงได้กราบลาท่าน p leaves engineering untuk di theorize pergi ke p wili-verik 편, aunque lookingeek dari spirul. ia take a walk from durch possum to an divine mind by parl cur every水. ijang hat sein Seclee, Purimpper, S incoming Mugunt and Fungour. ž mewskan ha Mugant, Semi ngert tu. cada посubuğum소 cho r Tour ได้ไปโปรดพี่ชายและเพื่อนฝูงไดได 20 เส้นวันนึงได้ยินเสียงช้างป่ากับช้างบ้านตก เมื่อเป็นอย่างนี้ช้างตกมันก็ยิ่งดุร้ายพลุกพราน ไอ้หูโบกขึ้นโบกลงเสียงพึบพับพึบพับอยู่ประมาณสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หันหลังกลับเดินเข้าป่าไปเมื่อช้างตกมันตัวนั้นเดินเข้าป่า ท่านก็ได้พักอยู่เป็นเวลาพอ แล้วไม่เหลือแม้กระหาปณะเดียวเรื่องนี้ คิดรบกันไปรบกันมาอยู่อย่างนี้จนตลอดรุ่งจึงได้เล่าเรื่องถวายให้พระอุปชา แล้วเข้ามานั่งสมาธิบริกรรมในใจว่าเรา 2 ห้อง ถามตัวเองว่าเราอยู่บ้านของเราเองเรากินเรานอนเราจะหุนุ่งห่มอย่างไรบ้านช่องถนนหนทางเป็นอย่างไรอาชีพอะไรก็นึกได้ทุกอย่างว่ามันไม่เหมือนพระนครสักอย่างเดียวถ้าเราจะศึกหาลาภเพชรจริงๆเราก็ต้องเตรียมเครื่องศึกไว้ก่อนคนอื่นที่เขาจะศึกเขาก็ต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นเราควรจะเตรียมอย่าง วันนั้นกลางคืนเดือนหงายเงียบสงัดก็ๆเช่นบางคืนฝันเห็นพระอาจารย์มาด่าบ้างดุบ้างแต่เหตุการณ์สําคัญๆที่นับว่า แล้วก็โวกกลับมาทางหลังวัดบริเวณนั้นมีคอกม้า เมื่อกลับถึงวัดแล้วก็เก็บเอา เดินไปถึงวังพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ตัววันนั้นเกือบถึงแก่ความตายพระถูกรถชนก็ผงะยืนตกตะลึงอยู่เป็นเวลา ออกพรรษาแล้วในปีพรรษาที่ 3 พระ อยู่ไม่ออกไปอยู่ป่าในกรุงเทพฯไม่ออกไปอยู่ท่านว่าพระอุปัชฌาย์ท่านไม่ยอมให้ไปท่านพูดคําเดียวบอก วันรุ่งขึ้นพระอาจารย์มั่นได้ไปที่วัดสระ ซึ่งเคยเป็นที่พักของพระอาจารย์มั่นมาแต่ก่อนๆกับว่ามีคนมาบอก วันไหนที่ตรงกับวันพระมักจะปรากฏมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าป่านั้น นั่งสมาธิตัวแข็งเสือก็เดินบนเวียนอยู่รอบ พอถึงเวลากลางคืนเป็นลมตลอดคืนรุ่งขึ้นไม่ได้ฉันอาหารถึงเวลากลาง 80 เส้นก็ตั้ง ในคืนนั้นก็รู้สึกว่าปวดท้องมีลมกวน รอจนสว่างรุ่งอรุณถึงได้ลุกออกมาจากกรดเดินออกมาข้างนอกวิหารปีมานั่งพนมมือถือข้าวห่อใบ เสร็จแล้วก็ยถาสัพพีให้แก่แก่ก็ลากลับเดินหายไปในทางทิศตะวันตกของดอยหลวงพ่อหลีท่านได้พักอยู่ที่วัดเจดีหลวง 2-3 วันแล้วก็ออกเดินทางจากวัดไปถึงอำเภอดอยสะเก็ดได้เข้าไปพักในถ้ำ สันนิษฐานไม่ได้ว่าสร้างไว้แต่ ถึงตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นตอนนี้ 3,000 คนภายในพื้นๆน้ําพัดเป็นระลอกได้ 2 อ้อม 3 วาสี รอบๆหนอหินก้อนนี้มีหินเป็นปุ่มๆเหมือนกับปุ่มคล้อง ท่านก็นึกอยากจะนอนอยู่สัก 1 คืนแต่ว่าอากาศครึบรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่ค่อยสะดวกก็เลยไม่ว่าเมื่อถึงเวลาเข้าพันษาภูเขาลูกนี้จะ แล้วก็บอกท่านว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวาย นึกขึ้นมาได้ว่าที่โยมพูดเมื่อวันก่อนๆที่นอนของตัวได้ พอใกล้เวลาค่ำโยมก็พากันลา อยู่มาวันนึงเวลากลางคืนขณะ ต่อมาวันหลังได้เคลื่อนย้ายลงไปอยู่ในเกาะอ้อมแก้วเพราะว่ามีโยมคนนึงมีๆให้หลังนึงยกพื้นผ่อพ้นพื้นดิน 4 กำมือใน หลังจากส่วนมนต์ก็เลยหลับไปก็เดินจงกรมเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนหงาย เธอก็บอกว่าอยู่บนยอดเขาสูงบนนั้น กันก่อนแล้วกันเมื่อได้ทําความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วๆองค์นึงแต่เป็น ได้เก็บก้อนหินก้อนโตโตเก็บก้อนหินก้อนโตๆมาอุดน้ําให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บหิน จิตก็สงบหน้านิ่งใสสว่างก็ตัดสินจน ว่าให้เก็บก้อนหินออกให้หมดเพราะว่าทางนั้นเป็นทางเดินของปีศาจเมื่อได้ตื่นตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็รีบไปเก็บก้อนหินที่นํามาอุดก็จักจะมีเหตุการณ์อย่างเดิมปรากฏขึ้นอีกแต่ว่าไม่สู้รุนแรงมาปะทะแค่ขวากระต๊อบที่จําวัดอยู่เพียงไหวหวั่นแล้วก็หายเงียบไปจึงได้ล้มตัวนอนภาวนาเพราะว่ารู้ ฝันเห็นภาพภาพหนึ่งมีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวโตขนาดหมูเดิน 30 ปีใส่เสื้อสี เขาพูดกันว่าเขาเป็นคนประจําอยู่เขเขเขเข 15 ค่ํา 3 ท่านตั้ง ปรากฏลมและแสงสว่างพุ่งออกจากตัวโดยสงบรู้สึกว่าเวลานั้นลมในตัวก็ นั่งต่อไปอีก 1 ชั่วโมงๆไว้ให้เพ่งดูพิจารณาดูภพ รู้อย่างไรถึงจะเรียกว่ารู้อวิชชารู้อย่างวันแรม 3 ค่ำ 3 ก็ ไปพักอยู่ที่ถ้ำนี้ก็สบายดีไม่มีเหตุการณ์อะไรนาทีจะๆองค์ ใครไปสร้างไว้สมัยไหนไม่มีใครทราบเมื่อได้เที่ยวดูธรรมบ่สมควรแล้วก็ได้ออกเดินทาง เมื่อไปถึงสถานที่นี้ถ้ายังไม่พลบค่ําไม่ เหนื่อยจึงได้ล้มตัวเอียงหลังลงนอนประมาณสักครู่ได้ยินเสียงบางคน เมื่อเดินทางไปถึงบ้านพอ 69 ปีแล้วพยายามรักษาพยาบาลโยมอย่างใกล้ชิดพอสมควรจนเวลาจะเข้าวัน 10แรม 4 ผ่านไปทางกิ่งอำเภอนางรองจนกระทั่งถึงๆอยู่บนยอดเขาเขาลูกต่อจากนั้น มีที่สงัดวิเวกดีน้ําท่าก็บริบูรณ์เค้าเรียกพนมกุเลนบนภูเขาสูงลูกนี้มีต้นลิ้นจี่ป่ามากมายมีลูกแดงสุกอารามคําว่าพนม 200 คนมี 3 ก้อนโตโตพวกญาติโยมก็พากันแตก ก็ฉันยาอะไรก็ไม่หายเลยเกิดอัพภางมีอาการปวดท้องเป็นกําลังสัญญา ไอ้ตัวเองเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นในครั้งนี้ฉะนั้นมีทางเดียวโรค กว่าจะถึงอำเภอแม่สอดต้องสิ้นเวลานอนกลางทาง ออกเดินทางจากเมืองย่างกุ้งลงเรือ 2 คืน 3 วันมืดพอดีก็ถึง จึงได้สนทนาพอรู้ๆในประเทศอินเดียในสมาคมนี้ 8 รูปด้วยกันได้พัก รู้สึกมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งดูสภาพของพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเกือบจะไม่มีเหลือในด้านปฏิบัติได้ออกเดินทางจะไปพุทธคยาก็ขึ้นรถไฟที่สถานีกัลกัตตาเวลา 1 ทุ่มตรงถึงเมืองพาราณสี อยู่อย 8 ไมล์เมื่อได้ไปถึงสถานที่นี้ พอสำรวจดูพอรู้เรื่องราวพอ ในระหว่างบริเวณต้นโพธิ์ที่พระองค์ทรัสรู้มีเล็กๆแกะด้วยๆไปนมัสการกันไม่ พระบรมธาตุก็มีคนเลื่อมใสในการ 2502 ท่านรู้สึกว่าอาการ มองเห็นที่วิเวกสงัดว่าเป็นบรมสุขอย่างเลิศในทางธรรมๆชั่วโมงฉะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ เมื่อกลับ 10 พฤศจิกายน 2502 ก็ได้กลับมาพัก 468 แต่มยติ 2470 สมเด็จพระมหา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2504 เวลากลางคืนกลางคืนท่านจึงได้ทิ้ง